ยังไม่พร้อมจะฟังทำใจยังวุ่นวายอยู่ถ้ามาไม่ใช่ของเล่นเล่นนะถ้าอยากได้มกผลในชีวิตนี้ต้องเด็ดเดี่ยวต่างใจจริงลงมือทำจริงๆ ทำบ้างเล่นบ้างนะทะเลท่าไหลบ้างยากเมื่อ่อนหลวงพ่อบทใหม่ๆหลวงพ่อชับสอน ง, ง่ายมากเลยเราวัดจากตัวเองหลวงพ่อภาวนาแลนะ้วรู้สึกไม่เห็นยากอะไรเลยต่นนอนมาก็รู้สึกตัวไปดูกายดูใจทำงานไป ที่เหลือจิตมันพัฒนามันเองไม่เห็นยากเลยครูบาอาจารย์บาองค์ท่านฟังซีดีหลวงพ่อครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ฟังเยอะนะท่านชอบฟังนะบางองค์ถ้านออกปากเลยท่านเห็นด้วยที่หลวงพ่อสอนทุกเรื่องเลยไม่เห็นด้วยอยู่เรื่องเดียวแต่ว่ามันยากนะ เราบอกง่ายง่ายเวลาเราทำรู้สึกมันง่ายถือศีลห้าไว้ไม่เห็นจะต้องถือศีลแปดเลยแค่ศีลห้าเองมียากอะไรนักหนามาดูรุ่นหลังๆเราวนะ่แค่ศีลห้าก็ยากแนละ้ววันบ้า น, นก็มีแต่เรื่องฟงุ้งซ่านพูดเพ้อเจ้อกัน พูดเพื่อเจอทางไลน์ทางเฟซบุ๊บไม่ได้พูดด้วยปากคนรุ่นนี้พูดกับคนอื่นไม่เป็นอะ่ะนา่จ้องจอกันผฟมอยู่ข้างในสมาธิไม่ต้องพูดถึงเลยมีแต่เลิกวักแกวกวักแวกตลวงพ่อทำสมาธิไม่ได้แต่เจ็ดขวบไม่รู้สึกสมาธิยาก เจลงปูดลันสอนให้ดูจิตเพื่อเจริญปัญญาดูผิดอยู่สามเดือนไปรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างหลวงปู่บอกว่ามันผิดให้ดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตก็ไปดูอยู่สี่เดือนหลวงปู่ก็บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วไม่รู้สึกว่ายากภาวนารู้สึกง่ายๆ ถือศีลไหมฝึกจิตใจให้มันอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านล่องลอยไปที่อื่นดูกายดูใจมันทำงานไปนี่พอสอนกรรมฐานมาส่ nah, artist, วนแก่แล้วเห็นคาววะญาติโยมก็ทั้งพระมันอ่อนแอลงไปเยอะเลยเทียบกับสมัย หลวงพ่อนะหลวงพ่อก็เทียบกับตัวเองกับครูบ า, าอาจารย์เราอ่อนแวกว่าครูบาอาจารย์พวกเราอ่อนแวกว่าหลวงพ่ออีกอาจะมาบอกว่าธรรมะมันไม่ดีจริงไม่ได้เราไม่ทำจริงชอบเล่นเฮฮาปาตี้นี่เลิอกอย่างเนี้ยาะงั้ใครเขามีอะไรที่ไหนก็ต้องไปร่วมกิจกรรมทุกคนทุกแห่ง ไม่ได้กินหรอกจะภาวนานะต้องเด็ดเดี่ยวจริงๆเห็นไหมว่าชีวิตเป็นทุกข์ยังไม่เห็นก็ไปเรียนรู้ทุกข์ก่อนไปให้เห็นในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์สุขตรงไหนมีเนนมาบวชได้แต่เล็กๆนะตอนนี้อายุ18บปหลวงพ่อพอกศึกไปเรียนหนังสือเข้ามหาไลัยไป ไปรู้จักโลกหนะไม่งั้นก็อยู่แต่ในโลกของความฝันว่าใจมันก็ ค, คิดนะโลกนี่มันมีอะไรมันน่าสนใจใจมกแว๊บแวแวบไปหาโลกเรียนรู้โลกซะแลยจะรู้โลกไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ถ้ามองให้เป็นจะเห็นนะโลกไม่มีอย่างอื่นนอะกจากทุกข์ ตอนเด็กๆจะทำอะไรด้วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องขอผู้ใหญ่ตลอดไม่เป็นตัวของตัวเองต้องเรียนหนังสือต้องงย่นโน้นต้องอย่านนนองอานี้เด็กรุ่นหลังๆนี้ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยเรียนพิเศษยิงย่งเรียนยิ่งโงไ่ไม่รู้อะไรทํามากินไม่เป็น วัยเด็กก็เครียดสอบสมัยหลวงพ่อก็ต้องสอบแข่งกันจบป .4 สอบแข่งกันเข้าป .5 สมัยหลวงพ่อมันมีป .7 จบป .7 แล้วสอบกันแย่งกันเข้ามศ .1 เราะฉะเป็นมศ .1 จบ มสสมัสสมนกะ็แข่งกันเข้ามศ ส, สี่จบมสห้านะสอบแข่งกันเข้ามหาวิทยาลัยจบมหาวิทยาลัยแย่งเงินเนนรียนไปแย่โทชีวิตมันไม่ได้รื่นรมอะไรเท่าไหร่หรอกตอนเด็กเล็กๆไม่มีภาราอะไรมันก็ไม่อิสระมีแต่คำสั่ง ตอนนี้ต้องเป็นเวลากินตอนนี้เป็นเวลานอนตอนนี้ให้ไปวิ่งเล่นไม่มีความเป็นตัวของตัวเองโตขึ้นมาไปเรียนหนังสือก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเรียนหัวปักหัวปั๊มแข่งกันเรียนจบมาทำงานก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอีกหมกมุ่นบุนวาอยู่กับการทำมาหากิน ชีวิตตอนเด็กๆบางทีมีเวลาถ้าเด็กเล็กๆมีเวลาว่างสุขภาพก็แข็งแรงแต่ไม่มีเงินทำอะไรก็ต้องขอผู้ใหญ่ตลอดตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวแข็งแรงหาเงินได้มีเงินแต่ไม่มีเวลาทำงานลูกเดียวเลย ตอนแก่แล้วบางคนเก็บเงินไว้มีเงินมีเวลาว่างไม่ได้ทำงานแต่ร่างกายไม่ให้แนละ้วเ อ, อียนอะงงอะงงอาม่าอะไรเงี้ยนะมีเงินว่างจะไปเที่ยวรอบโลกก็ได้แต่ไปไม่ได้มาได้แค่วัดชีวิตแต่ละชั้นวัยเรียกชั้นของวัย วัยเด็กวัยโตขึ้นมาวัยรุ่นวัยหนุ่มสาววัยกลางคนวัยแก่มันล้วนไต่มีความทุกข์แฝงอยู่ตลอดเลยถ้าพูดอย่างโลกๆกนะตอนเด็กนะแข็งแรงมีเวลาเด็กเล็กๆไม่มีเงินโตขึ้นมาก็เรียนหนังสือทำมาหากินนะ ช่วงเรียนหนังสือเวลาก็ไม่มีเงินก็ไม่มีมีสุขภาพอย่างเดียวแข็งแรงอยู่เวลาทำงานสุขภาพก็ยังดีอยู่แต่ไม่มีเวลามีเงินหอาเงินใช้ได้เองพอแก่ขึ้นไม่ทำอะไรแนละ้วหาหมอมีได้คิวหมอนัด เงินที่หาสะสมไว้เนะั้นเอาไปให้หมอเกือบหมดอะ่ะดูให้ดีชีวิตแต่ละชั้นวัยภาษาโบราณเร่ยชั้นของวัยเต็ไมไปด้วยความทุกข์ไม่เห็นม่จะสุขตรงไหนเลยนี่คนมันหลงโลกหลอกตัวเองอย่างเรากาว่า ตานเด็กกนละ่าวว่าเรียนหนังสือจบแล้วเราจะสบายยนังสือจบแล้วยังไม่สบายจะทำงานรวยๆแล้วจะสบายทำงานไปจนอายุเยอะไม่สบายอยู่ดีนั่นทุกข์ชั้นของว้ยมันเต็มไปได้วยความทุกข์แต่เราหลอกตัวเองว่าพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วจะสบายเรียนหัตดู โลกให้มันเห็นความจริงคือความทุกข์บ้างอย่าดูโลกแบบคนไม่มีสติมีปัญญาเห็นโลกนี้รื่นรมเลยเกินหลวงพ่อไปว่างๆหลงพ่อบาทีไปดูประเทศอื่นนะดูคนเขาเป็นยังไงวิธีชีวิตเขาเป็นไงให้ทำความเข้าใจอย่างคนญี่ปุ่นเครียดคนเยอรมันก็เครียด คนไทยเครียดแต่ว่าซ่อนไหมหาเรื่องบา้บาๆบอๆหลอกตัวเองไปวันๆฝากชีวิตไว้ก็หวยนคนไทยเอาชีวิตไปฝากไว้ก็หวยเพราะว่าชีวิตไม่มีความหวังอะไรดูให้เป็นเราจะรู้ว่าทุกไปที่ไหนเรามาเห็นในทุกฝรั่ง มีสวัสดิการตกงานก็มีเงินให้รัดให้แก่รัดก็เลี้ยงมีสวัสดิการแต่ชีวิตนี่เงียบเหงาว่าเวตัวคนเดียวเลยวันๆันคุยกับหมาคุยกับแมวพวกเราบางคนก็ซ้อมนะวันๆันก็ยุ่งอยู่กับหมากับแมวมีความสุขอยู่กับแมวซ้อม วันหนึงจ้าอยู่อย่างนั้นดูให้เป็นเราจะรู้ว่าชีวิตนี่เต็มไปได้วยความทุกข์ไม่ได้หน้าเพลิดเพลินเลยถ้าไม่หลอกตัวเองแต่ส่วนใหญ่เราก็อยู่รอดมาได้ด้วยการหลอกตัวเองไปวันๆมีธีหลอกตัวเองทําได้เยอะแยะแทนที่จะเห็นกายเห็นใจมันทุกข์แล้ก็เที่ยวเล่นเพลินๆไป คบเพื่อนรวมฝูงกันไปไปไหนก็เป็นฝูงๆนะหนวงพ่อไม่อยากเรียกเป็นกลุ่มเลเราไปเฮๆๆกันเนี่ต้องเป็นฝูงอ่ะเพราะว่าพฤติกรรมแบบสัตว์นกไม่นหบินตามก็เป็นฝูงๆไก่ก็เดินตามก็เป็นฝูงๆปลาก็ว่ายน้ําตามก็เป็นฝูงๆเราก็ตามกันไปกระทั่งไปวัดก็ไปเป็นฝูงๆ เข้าวัดโนนออกวัดนีนะ้หลอกตัวเองไปวันวันหนึ่งหาอะไรทําไปเรื่อยๆก็ทั่งพระไอ้พระวัดนี้ไม่มีนะพระบางวัดเธอหาของเล่นไปไม่งนอยู่ไม่ได้มีกิจกรรมทํโน้นทานี้เพื่อหลีกเลี่ยงการรู้ทุกข์ไม่อยากรู้ทุกข์อยากได้มรรบณ์ น, นะ แต่ไม่อยากรู้ถูกข์ก็หลอกตัวเองไปวันๆให้มันเพลินเพลินไปหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งใครยังมีพฤติกรรมาหาอะไรทาให้หมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งไหมห่างต้องฝึก อ, อีกเยอะเลยห่างมากผลเวลาเรามีจากัดนะหมดแล้วหมดเลยเราซื้อเวลาด้วยชีวิตของเราเอง เอาเวลาไปทะเลทรายวันหนึ่งก็ตายไปวันหนึ่งละหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่หลวงพ่อเป็นคนที่มุ่งมั่นเด็ดเดียวในการฝึกตัวเองเรียนรู้ตัวเองพูดง่ายๆว่าทนมากทนความน่าเบือ่อเหมือนอ่านหนังสืออ่านหนังสืออยู่เล่มเดียวอ่านหนังสืออยู่หน้าเดียวอ่าจเป็นปีๆ ทำได้ไหมก็เบื่อเบื่อก็ถลาลทำโน้นทำนี้ไปเราจะอ่านกายอ่านใจให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเนี่ยมันน่าเบื่อก็พยายามหนีกันนะเอกก็ะทั่งไปทําบุญทำบุญให้เพลินๆไปบางคนก็หนีไปทําบาตรรวมกลุ่มไปเที่ยวกินเหล้าเมายาอะไรให้มันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่ง วัดใจตัวเองเลยนะถ้ายังมีพฤติกรรมชนิดที่ให้เวลามันหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งรู้ตัวเลยนะอินเสียอ่อนมากเลยถ้าอยากได้มาผลนิพพานนะอินเสียอ่อนอย่างนั้นต้องอดทนมากๆเลยต้องสู้จริงๆหลวงพ่อเป็นคนสู้ตอนเจ็ดวรวบไปเรียนกะับท่านพ่อเหลียท่านสอนให้ใจเข้าพูดออกโทษทำทุกวันไม่เคยเลิกเลย ทำอยู่22สบสองปีทั้งที่ไม่เห็นว่าทำแล้วได้อะไรนอกจากความสงบเฉยๆก็ว่าซาทำระหว่างนั้นก็ดิ้นรนสแสวงหาว่าวิธีปฏิบัติธรรมมันจะทำยังไงทำสมาธิเนี่ยไม่บรรลุแน่แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงจะบรรลุทำได้หลวงพ่อลงทุนอ่านพระไตรปิฎกไตรปิฎก เยอะแยะสี่สห้าเล่มแต่อ่านพระวินัยกับประสูตรอภิธรรมานไม่รู้เรื่องไม่รู้จะไปภาวนายังไงขึ้นต้นมากุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมมาจบภาวนานไงดูไม่ออกถ้าเดี๋ยวนี้ดูออกที่พวกเราภาวนานเนี่ยเรื่องอภิธรรมทั้งนั้นนะกุศลอกุศล ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่ไม่เป็นกุศลและอกุศลเราพูดสั้นๆแค่นี้เราก็เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปธรรมะที่เป็นกุศลเกิดเราก็รู้ธรรมะที่เป็นกุศลดับเราก็รู้ธรรมะที่เป็นอกุศลเกิดเราก็รู้ธรรมะที่เป็นอกุศลดับเราก็รู้ธรรมะที่ไม่เป็นกุศลอกุศลเกิดเราก็รู้ธรรมะที่เป็นกลางไม่เป็นกุศลอกุศลดับเราก็รู้ เนี่ยพอภาวนาเป็นนะอ่านอนภิธรรมก็ภาวนาเป็นอย่างภาวนาไม่เป็นอ่านไม่รู้เรื่องเลยวิธีจิตโอ้อะไรว่ายากชะมัดเลยมาภาวนาแล้วง่าจะตายเลยของมันทนโทษอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยคตอนนั้นภาวนาไม่เป็นทําได้แต่สมาธิอ่านพระไตรปิฎกอยากจะหาว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติจะทํำยังไงมีวัตถุประสงค์ของการอ่านนะ อ่นเพื่อจะหาจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอพระเจ้าิดกโยยะเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงอะพระสูตรพระวินัยอะไรนี่้โยยะไปหมดเลยสี 4, 000, 000, ่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์ถ้าพูดตามตำราจะเริ่มต้นสักจุดหนึ่งนะไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ก็ไม่ย่อท้อนนะทำอะไรไม่ได้ทำสมถะ แต่ใใเข้าพูดออกถกทําทุกวันยังหาทางไปต่อไม่ได้รักษาส่วนที่ทําได้แล้วไปเจอหลวงพู ด, ดุลหลวงพู ด, ดุลสอนลูกศิษย์แต่ละคนไม่เคยเหมือนกันบางคนหลวงพู ด, ดุลสอนพุโทโธเลยหลวงพู ด, ดุลเจอหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ดูจิตเลยไม่มีพุทโธพุโทโธไม่มีสมถะละท่านรู้ว่าเราทําสมถามาเต็มที่แล้วสอนให้ดูจิตแล้วก็ไม่ดู ดูจิตเธอต้องไม่ดูอย่างอื่นก็เลยเพ่งจิตสามเดือนเพ่งจิตนี่นิ่งๆไปบอกหลวงปู่ผมดูจิตได้ละหลวงปู่มองหน้าจิตเป็นไงจิตมันวิจิตพิสดามันปรุงแต่งในสาพันธ์อะไแต่ผมจัดการมันเจอท่านเข้ามาหยุดที่จิตได้ละไปดูใหม่ทําผิดแล้ว ให้ดูจิตไม่ใช่ให้ไปแทรกแซงอาการของจิตจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งไม่ใช่ไปทำให้นิ่งไปไปทำใหม่หเราพูด่ดูอย่างนี้นะสอนล้วไปไม่มีโหโลมปฏิโลมนั่งคุยกันก่อ น, นไม่มีพอรู้หลักแล้วไปไปภาวนาดูจริง เวลาท่านสอนนะท่านใจเมตตามากนะเรารู้เลยว่าท่านเมตตามหาศาลเลยนะแต่พอเราเข้าใจปุ๊บเราลงกราบท่านพอเงยหน้าขึ้นนะเราพบความว่างเปล่าแนละ้วพบคนที่ไม่เคยรู้จักเลยว่างเปล่าว่างจริงๆนะนั่งอยู่อย่างนี้เราสัมผัสไม่ถึงนะหพวพ่อพ็ภนามนะันอาศัยความอดทนท่านบอกว่าทําผิด เราไปทำใหม่เฝ้ารู้เฝ้าดูไป mm hmm. หเห็นต่อไป น, นี้เราจะไม่บังคับจิตแล้วจิตเป็นยังไงเราจะรู้อย่างนั้นเนี่ยหลักของการดูจิตนะจิตเป็นงไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเมื่เราเฝ้าดูจิตเห็นจิตมันทำงานจิตมันทำงานเมื่อมีผัสสะตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยน จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรูกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งจิตก็เปลี่ย น, นการดูจิตนมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดกระทบภาษาไปพอเรากระทบอารมณ์นะเรามีสติมีสมาธิจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวมีสติรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของใจนี่แหละหลักของการดูจิต ตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดพอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ย mm. เกิดความเปลี่ยนแปลงในในจิตใจเรามีสติรู้ทันเรจะมีสติรู้ทันได้จิตใจเราต้องอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเราพบรู้ทันจิตตัวเองไม่ได้แค่นี้แหละทำไมทําไม่ได้วะ <laughs> ของแค่นี้ม <laughs> ันขี้เกียจสิ เมื่อแต่ถลายมันไม่เห็นโลกเป็นทุกยังเห็นโลกนี้มันอยู่เพลิดเพลินพอใจเมื่อพภาวนา ม, มาเรื่อยๆนะตั้งแต่เด็กไม่ได้เห็นโลกเป็นทุกนะแต่คล้ายๆว่าอินทรีย์มันแก่มันสะสมพวกเรามามันอยากภาวนาอยากภาวนางั้นขยันภาวนาไม่เคยหยุดเลยวันเกิด ผู้ใหญ่ก็ให้ของก่นนะให้เลือกไปเดินซื้อซื้อผ้าเช็ดตัวนะสีเหลืองๆต้องเหลืองเอาไปได้ก็ามานั่งหง่มส่วดมนต์นั่งสมาธนะิมีอยู่คราวนะผู้ใหญ่เขาจะไปทําบุญเขาซื้อผ้าใยมาเราเห็นแล้วเราชอบชอบผ้าใยอะไรเห็นแล้วอยากได้เรไปถวายพระ พงนี้จะถวายวันนี้เราขอไว้ก่อนเอาไปนอนด้วยนะไปนอนด้วยนอนมูงอ่ะบ้านโบราณตอนเช้าว่าเป็นแผลที่ที่เทา้าที่นิ้วผู้ใหญ่เว้ยล อ, ย, อ, ย, อยหนูมันมาแทะเนี่ยบาปไปเล่นจีบอลอะไรถ้าไม่กล้าเล่นอีกถูกเขาหลอกว่ามันบาป ใจมันใจมันน้อมมาที่จะปฏิบัติยังไม่ได้เห็นทุกชีวิตเต็มไปด้วยความสุขด้วยซ้าไปแต่มันอยากปฏิบัติตอนเด็กๆผู้ใหญ่ก็แย่งกันรับเรียนหนังสือก็เรียนเก่งไปทำงานสอบเข้าที่ไหนก็ได้สบายมีความสุข ยิ่งครัง้งหลังๆนะเปลี่ยนงานเลือกงานเองเลยเลือกงานเองเลือกเจ้านายเองเลือกเงินเดือนเองโต้อุดกติเลยเเดือนเดียวได้โบนัสปีละห้าเดือนไม่ต้องใช้เงินเดือนเดินเดือน ไ, ได้ใช้เก็บเก็บไว้มีเงินไปสร้างสวนโพนในชีวิตไม่ได้ลำบากอะไร สบายใช้ด้วยซ้ำไปแต่มันอยากภาวนาตอนเด็กๆภาวนาไม่กี่วันนะจิตรวมสว่างจิตออกไปเที่ยวข้างนอกได้อยากรู้อยากเห็นอะไรก็ออกไปเที่ยวได้สนุกตอหลังๆเนี่ยไม่อยากไปเที่ยวกลัวออกไปเจอผีพยายามเพิ่มสติขห้น พอจิตมันสว่างนะมันจะเคลื่อนออกไปเรอพ่อจะหายใจให้แรงขึ้นสองสามทีเป็นการกระตุ้นความรู้สึกตัวจิตก็ไม่ออกนอกมีคราวหนึ่งนะเตี่ยตายแล้วจะทำบุญห้าสิบวันเป็นหน้าฝนนะโคดังเก็บศพสมัยโบราณไม่ได้เรียบร้อยเหมือนยุคนี้ว ในกรุงเทพนะวัดใหญ่กูดังแบบโบราณโบราณห ล, ลังคารั่วน้ำฝนมันหยดลงหลังคาลงทะลุน้ำเข้าไปคังอยู่ในลงตอนเอาสบออกมาเพื่อเอาลงออกมาเพื่อจะมาทำบุญห้าสิบวันสาปะเลอรอว่าเสียงน้ำจ่องแจ้งช่องแจ้นในลงเอจอบใต้โลงให้น้ำออกนะ เปิดฝาเขาบอกอย่ามาดูนะน่ากลัวที่สุดเลยสอบฉีดยาจริงนะแต่แช่น้ำอยู่ตั้งนานแนละ้วสบที่น่ากลัวมากเขาก็ไม่ให้ดูเพาเขาไม่ให้ดูเนะื้วยเหตุผลเราไม่อยากดูแต่จิตมันอยากดูกลับมาบ้านนะพอลงนอนเห็นตัวลงหัวถึงหมอนตันั้นะจิตมันถอดออกจากร่างเลย มันจะไปดูมันวิ่งพรวดไปเลยจะไปวัดเราตกใจนะเราเป็นคนกลัวผีอะเรียบหายใจแรงๆเลยนะกระตุ้นให้จิตกลับมาจักจัางนดจิตกลับมานะเหนื่อยมากเลยจิตกลับมาแล้วดีใจเขายัางชั่วพอเขค่อนชั่วนะวิ่งครั้งที่สองนะวิ่งแรงกว่าเก่า พวดไปถึงประตูโกดังเก็บศพเลยเห็นเลยใส่กุญแจยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรนะฉิบมันไปดูไปเบรกได้ตรงหน้าประตูก็ลกลับมาเข้าล่า ง, นงเนเหนื่อยมากแล้วนะครั้งที่สามเนี่ยไม่มีแรงเบรกแล้วพนะุ่งพรวดเข้าไปในโกดังเลยไปสำรวจเราไม่รู้ว่าลงศพไหนเข้าทีละลง ลงนี่เอ้ยอันนี้ครูนะตายอันนี้วันนี้เป็นงี้มุดมุดมุ ด, ม ด, มดนะลงยัไปเจอลงศพเตียงเอาแล้วจิตมาดุตลีนะมันลงไปนอนท่าบเลยนอนทาบลงไปในศพนะเหม็นเหม็นนะเหม็นเหม็นจนคอเนี่ยขมเลยศพคนเนี่ยกลิ่นมันขมอยู่ในคอเลยนะแล้วมันก็ไว้พิจารณาซากศพ อคนตายแล้วเป็นอย่างนี้น่นแต่พี่นานจนมันพอใจนะก็ลอยนวลกลับมาตอนะนี้ยรู้สึกขึ้นมา น, นี่เหม็นติดจมูกเลยขมเลยเนีย่จิตมันวิจิตพิสดารขนาดนี้มันแสดงความเป็นอนัตตาให้ดูนะงัเนเราอย่าฝึกสศจีดอกนอกนะเดี๋ยวมันอยากไปดูอะไรก็แย่เลยห้ามไม่อยู่หรอก จิตเป็นอนัตตาสนุกไหมฟังกนะ็สนุกนะเจอเองไม่สนุกหรอกออพยายามฝึกมีสติไว้จิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งให้ว่างหลวพูดดูดบอกว่าผิดอย่างฟังหลวงพ่อพูดเนี้ยหลวงพ่อเล่านิทานให้ฟัง เต้นตื่นเ ต, น ต, นเตน้รู้ว่าตื่นเต้นไม่ใช่ตื่เต้นแคิดตะเริดเปิดเปล่งไถ้าเราเจอจะทํำยังไงอะไรเงี้ยไม่เจอหรอกหน้าตาอย่างนี้ทาสมาที่ไม่เป็นไปไหนไม่ได้หรอกรู้สึกตัวไหมถ้ายัางปลัดบานประกันพรุ่งถ้ายัางล้างผลานเวลาให้หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งทุกต่อไป โลกต่อไปจะกว่ามันจะฉลาดไม่รู้โลกไปโลกนี้ถูกเราเกิดมาเราก็มีคนที่เรารักทั้งเยอะทั้งแยะมีไหมคนที่เรารักตายไปกี่คนแล้วยาๆเลยคนที่เรารักญาติของเราปู่ญาติตายายเราบางคนพ่อแม่ก็ตายแล้วบางคนสามีตายบางคนภรรยาตายบางคนลูกตาย คนเพื่อนสนิทตายในโลกน้ำตาเราเสียไปเท่าไหร่แล้วผู้ชายก็เสียน้ำตาไม่ใช่ไม่เสียบางคนอกหักก็ร้องไห้นะผู้ชายเมียทิ้งก็ร้องไห้ก็มีเสียน้ำตาไปเยอะในชีวิตของเราแต่เราเป็นโง่เราหลอกตัวเองว่มามันก็น่าจะมีความสุข ความทุกข์เนี่ยผ่านไปแล้วเดี๋ยวข้างหน้าจะมีความสุขไม่มีหรอกวันข้างหน้าก็คือมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าดูอากงมามาเป็นตัวอย่างมีเวลามีเงินสุขภาพไม่อำนวยให้สนุกสนานอะไรทั้งสิ้นนะวันไหนหมอไม่นัดนี่ว่าวันว่างช่วงนี้หมอไม่นัดก็ค่อยว่างหน่อยสบายหน่อย ยังเต็มไม่ได้การนัดยังหนุ่ ม, มๆสาวๆอยู่มีนัดทำงานหัดมองโลกตามความเป็นจริงบ้างแล้วเราจะเห็นว่ามันทุกข์ทุกข์อยู่ตลอดเวลานะแล้ววัเข้างหน้าเราก็มีความทุกข์รออยู่ในบทสวดมนต์มีนะนธรรมะเช้ามี เริมทุกข์รออยู่ไปดูให้เห็นแล้วใจมันจะอยากออกจากโลกใจอยากออกจากโลกแล้วการภาวนาจะเด็ดเจียวมากกว่านี้ตัวเองคิดว่าโลกนี้มีแต่ความสุขอยู่เวลาทุกข์ขึ้นมาก็หลอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะเดี๋ยวก็สุขแล้วหลอกตัวเองไปเรื่อยๆจนหมดแรงที่จะหลอกแก่ลงมาเต็มทีแล้วหมดแรงที่จะหลอกบางคน สุขภาพก็ไม่ดีนะเงินก็ไม่มีนะลูกหลานก็ไม่มีนะนอนจมือจมชี่อยู่ตายอยู่ั้นฝรั่งว่ารัฐสวัสดิการดีในอเมริกาหลวงพ่อไปนะเสียงรถหมอพิ่งทั้งวันเลยคนแก่ไม่มีใครดูแลนัลโทรไปเรียกรถพยาบาล ไปโรงบ้านบางทีปิดบ้านไม่หลายวันไม่เปิดบ้านเลยเพื่อนบ้านก็โทรไปเรียกตำรวจมาคนศบไปไม่สบายนอนหิวไปงั้นไม่มีอะไรจะกินช่วยตัวเองไม่ได้นี่มีเงินนะมีสวัสดิการแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้ตายเหมือนแมว เวลาแมวจะตายหนีไปตายหนีไปซ่อนตายฝรั่งคนนี้ก็อยู่อยู่ในบ้านปิดประตูซ่อนตายอยู่ของเราตอนนี้ก็ถึงยุคดราม่าเรื่องหนึ่งนะเรื่องคนแก่ถูกทอดทิ้งโวยโลงเฟซลงไลน์ดราม่า ก, กันใหญ่ต่อไปมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองดราม่าไม่ไหวแล้ว มันไม่มีระบบที่รองรับเตรียมรับสถานการณ์ไหมพหาวนาอย่างน้อยพาวนาให้ได้ถ้าจะตายอยู่ลําพังไม่มีแรงกระทั่งจะกินข้าวไม่มีแรงกระทั่งหาน้ํากินอยู่ได้ไงอยู่ได้ธรรมะได้ไหมร่างกายทุกแต่ใจไม่ทุกทําได้ไหม อย่าทำไม่ได้ก็ไปฝึกซะทำอย่าที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละไปดูให้ดีโลกนี้จะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์กำลังรอเราอยู่ข้างหน้าอย่าหลงละเิงรีบภาวนาเขาเอาหันไปทางโน้นวันนี้ธรรมะดูไหม <c oughs> เห็นหน้าแล้วมันจะเรื่อนรบสักขนาดไหนเพราะอากาศเย็นเท่านั้นสดชื่นจ้ะ